ตามหลักปฏิตุทมศาสนาทั้งสองไหว้คัดเก่งและวาทานพุทธภวนามีการให้การรักษาสามระดับกันในการปฏิบัติธรรมการบริจาคทานของทายกทายิกาทายกทายิกาแปลว่าผู้เสียสล ะ, ะต่อปัจจัยและกติยพันธ์ อ่ม า, มาถวายในขัํากลางสงหรือเสียสลาผู้เทียบไปในขั้นบำเพ็ญบุญบาเพ็ญกิจขทานพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าพาแยกและพาหยุกาคัว่าพาแยกพาหยุกาันาา้าา น, านเป็นผู้เสียสละแล้วเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้เคลื่อนแล้ว ตรงตู้สร้างความดีให้ซึ่งการโละกันแล้วเลืกอกละพาเยอะเลือกละพายกุย ก, ยาายกาอย่างนี้เป็นที่ให้ที่เสียศละก็เลืกอกละพาเยอะพาุกาเป็นต้ตนต่อการให้การช่วยการเสียสลนันี้ก็เรียกว่าการมาเพ่งทานนั่นเองเยกตัวอย่างเราจะทำบุญบ้าง ขอสรุปมงคลกับประสงให้ตัวเองใจเย็นตกบ้านใหม่ก็ขลังกันบรรพุสงกันเจ้าของบ้านนั้นก็เรียกว่าทายกไหกกาเปผู้ทาดุญเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้วั่วเชื่อด้าอยู่ตนเองแล้วก็ให้ผู้ใช้ยาวาทายคไหกากานต้ น, นแต่ผู้ปฏิบัติธรรม ในพระพตตธศาสนาก็เรียกเราอุบาสกเรียราอุบาติก า, อายอมปฏิบัติและรับสาวย้ดถือ อ, อุจบกข์มีกนหอดเองาต่กลางและกรรมบุสุดครบจึงเรียกว่าอุบากสกบาติการักษาไว้ที่จิตใจมีความหมายอย่างนั้น ปูบาโสบิกานั้นรักษาศีลรักษาอุโบกขก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเมื่อธัมะปฏิบัติหนึ่งข้าวหุงข้าวจะถือว่าบื่อเป็นการบื่อเมื่อขัมมะปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกอูบาโกบาจิกาแสดงตนเป็นบาโสบ้างแสดงตนเป็นปบาจิกาบ้าง ได้รับกรรมฐานแต่สมาทานศุลป์สมาทานกรรมฐานงั้นแล้วก็เอามาประพฤติตนและปฏิบตัติให้สะตอณ์เตยเองก็มีธรรมะมีสุญสมาธีปัญญาอยู่ครบตรงกลางกาหนดสุขให้สุขปัญญาตะเวนปฏิปารฐานตื่นมรรคอริยสัจตื่นก็มีศุญสมาทีปัญญา มือสติสมตัมปาัญญะอบรมสุดยถาดนั่ น, นคืออบรมสุดยถาดดีแล้วกระถือท่านหลายนั้นมีธรรมะแล้วมีการปฏิปิปติปฏิบัติครอบแล้วเป็นมหาสุขแล้วนั่นก็เรียกว่างองค์ภาวนาการภาวนาเนี่ยต้องการจะให้มันสุดขึ้นมาให้ใจสะอาดในดวงสุดเดินใจ มีประโยชน์สูหสัดที่อฏิบัติธรร ม, มากนิดน้อยแต่การทำถว า, า, า, ายสงฆ์ทานสังคะประยาดถวายสงไม่จะเกาะตรงกับพิสูจรูปหนึ่งรูปใดก็หามไม่ได้ถวายไม่ข้ามต่งางสงการถวายสงก็คือไม่เจาะตรงเรียกอย่างสงฆ์านแต่ถวายโดยเจาะตรงเรียกอย่างบุคลิสทาน ย, ยเกเครอะห์ทานเนื่อไทยไว้แต่เหนื่อยเดียวและขั้นเดียวองเดียวก็ได้บุญไม่ใช่ไม่ได้แต่ได้ไม่มากได้มากไปสังคทานให้ทานทพื่อไปไม่เจาะตรงยกตัวอย่างาทงงการเหวนส่วนสรางถนนส่วนขาชนะประโยชน์สุดบนน่อาาน้ำเนื้อพระราษฎรเทื่วไปไม่เจาะตรงหรือสร้างโรงทานเปงนต้น เป็นเขะโยชน์จดอนพระพิพัฒนาประโช่าเนปรยชน์ดอกระต า, ง, ตางเงทานให้ทานเพ่อตยทุกจย่างตลอดกระทั่งเคร่งสวินทิพาพรให้ทานข้าง้างกับโยหน้าให้ยาจกยายาจกยามุกพเศปัโดยที่มาขอทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้ การให้ทานนี้กับตามพอเสรินพรท่านคือบากบัณิกาทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไม่ดีไปเราจะได้ของไม่ดีกลับมายกตัวอย่างอาตมานี่เองเดือดเมื่อไหนมือ้ลาดรลายอยู่สามปลายประวายยังตาไปแล้วก็ไม่ทราบว่าพาเนี่มันขาดมันขาดมาจากร้านค้าทั้งตาก็เหงไม่ได้ ถ้าเราไปบางส ก, กุลกลับมาสื่อข้างสื่คร่าวก็ได้ผาขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานโดยเมตนาทั้งท่านสื่บริการอย่งนั้นต่อบริสุธ์ด้วยต้อ ง, งบริสุทธิ์ทางของเครื่องวัตถุพยาานต้อบริสุทธิ์ัางจิตใจตเลือเจตนาทั้ ง, งท่านต่อต้องบริสุทธิ์เลือดหรือมาถว า, ายท้งนี้นะ คำวมาบริสุทธิ์ความหมายของวัตถุทามนั้นก็ต้องบริสุทธิ์ได้มาด้ความชอบธรรมไม่ยอมมาเดี๋ยวไปโกงใครเข้ามาทำด้วยความเหนื่ อ, อยยากจึงบริสุทธิ์ทานที่ให้แล้วบริสุทธิ์เจตนาก็ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ประการใดก็เรียกว่าเจตนาบริสุทธิ์ถ้าให้หวังผลตอบแทนก็หมายความว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์ต้องการได้ของ ให้เปงนการแลกเปลี่ยนเปงนการค้าเปงนการค้าขายไปแลือกเปลี่ยนกันไปตามวัตถุของบุคคลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นอย่างนี้เรียกไรทานปกติทานธรรมด า, าทานดีฉึงแต่นั่นแล้วก็ให้เมื่อหวังผลตอบแทนจะเอาไปคล้งไปว่างอย่างไรก็ตามใจแล้วมาบริจาคแล้วก็ขึ้่นใจดูใจ บริจาบกปแล้วพนางบริจาบนี้ก็สบายอกสบายใจหลังจากบริจาบจากแล้วก็ขึ้นใจใหนภานการกุศลที่ตนบริจาบแล้วได้สัตย์ธแล้วทานได้สัตย์ธแล้วทั้งอดีตที่ผ่านมาเวลานาคนาาเราก็ดแฉลแต่ชลาจะ็บไปไว้เกวือไข่ประการใดก็ไม่ทั้งทานไว้เราได้ทําบุญไว้ทั้งอดีตและเมื่อชาติตั้ก่อน ตลอดรการปัจจุบ well ันน in kind of ั้นเราก็ด hmm. ีอกดีใจชื่มใจด้วยบุญกุศลที่เราทำาระหกตอนเป็มประกาศสัมผัสไม่ทุ่งบุญไมทุ่งทานทือมาภาวนาไว้อยลาเลาเคลมาปฏิบัติกรรมฐานบำเพ็ญกุกลภพวนาและสาเบื่อสดงบเวมนสิ่งคัอาลาสามานทั้งหลายสิดใจก็ขายใจสะอาดโดยสุทานท้่ท่านถึงตาบริสุทธิ์เชื่อ ทานบริสุทธิ์ที่บดิสุทธ์จุกก็บริสธิ์จุกจะบริสุธิได้ต้องกสมาทานศีลบำเพ็ญศีลจุดจะสอาดหมดจบได้ต้องภาวนาจเจริญปัสสุทธานุสิตกายกายเวทนาสิจธรรมทานเนี่มีส า, ามประเภทกิจกรรมสำหรับทานปฏิบัติทานข้อต้นคือให้ดูเชื่อไม่เปนลาให้ไปอย่างนั้น ให้ตาหวังผลหรือตายแทนได้บุญแล้วกุศลให้กับตัวเราหรือให้เพื่อหวังผลจะแลกเปรี่ยนสนตันทานกุศลอย่างกลางให้แล้วไม่หวังผลตายรทนและไม่ต้องตามอันใดจยู่แต่ตันให้แล้วประโยชน์ทันทีไม่จดไม่จําไม่จำไม่จดไม่จดไม่จําเพราะเระทานนั้นไม่หวังผลตายแทน ทานขั้นสูงของภาวนาจากบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วจิตก็สายจะสะอาดบริสุทธิ์ทานก็บริสุทธิ์เจตนาออกมาก็บริสุทธิ์ถ้าจิตสายจะสะอาดถ้าเราบำเพ็ญศีลปฏิบัติกรรมฐ า, านจิตใจก็สูงขึ้นไปตามาอย า, า, ากทุงขามสามารถจะกาจัดความเครียดตัวได้หวังผลไปสู่มรรคูุผล จากผลบัตรมนุษย์เหวี่ยอยากผลมนุษย์ผบัตรในวังผลตายถึงในวังบัตรตุดมุ่งมากกาธนานิพพานผบัตรได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจาเคยประช่าผลสยบผลดอนในหวังผลใดๆทั้งเครื่องประดุนฐิ่งพาพอนก็ขอให้ไปได้ทั้งพระมังตรอยู่เดิมทุกประขอให้ไป ทุอสิ่งทุกอย่างให้หมดที่หลังผลพระโพธิยาณในนาคตการเรื่องหน้ า, าต่อไปไม่จำเป็นต้องแค่อนะไรนั้นแหนยเมืศไนย น, ยนาก็าให้เป็นทานได้พลักออกไปได้เบืองจุดเบืงใจใสสะอาดกะสา ม, มารถให้ท า, านได้เจ้าตาเป็ของข้าดายแต่พระพาลีจะทำหาเยเบืงจุดเบงใจนั้นคล้ายวัยกคู่เพื่อกุคต เรื่อนคือวิจนาคือแม่สมาสีสามารถใหทางไปได้เช่นเยกัน อ, อันนี้ทานท่านงที่สุดนะแล้วการดีอย่างคัดทโปที่ยาณในนาคประการเบื้องหน้าสุดต่อไปาทานจรง ม, รมีหลายประเทศที่ไลยขยายข้างอทานเอายวถัดปเอาไว้รยยกรถึงมีคนแย่งกัน อันดนีของตะถินดีหรือตปาดีดงางท่าน็วะตะปาอันนีของถิงตะถิ่นดางท่านก็ายากตะถินเถงตะปาตาไม่เช่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เจตนาของท่านบางคนทาบุญมากมายแต่กองแต่ไม่ได้บุญเลยจิตไม่มีสุขใจไม่สบายต้องเหตุใดานน่าจะชพื่อได้ไมั้ยแต่ทานไม่ดับเพล้น เมื่อเพิ่มตัวภาวนาแล้วมันก็ไม่ส า, ามารถจะเค่วนได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงบอกทำให้ครบสามวาระทานและก็สืบภาวนาทานเรายให้กันเที่ยงกลางเป็นธรรมดาแต่สืบแต่จีบัดนี่จะได้แต่ตัวเองมีภาวนาขึ้นแลจะเกิดเมตตาจะให้ทานท่านผูดด้ใดก็เอาของดีให้ของเสียจะไม่ให้ ให้ดีก็ไปได้ดีต่อบแทนมาใา้ของเพื่อเขไปก็ได้ของเพื่อต่อบแทนมาถ้าทําให้เพื่อนเพ้อตามกําหนดเหยียดตามวาระแล้วก็มีทานถิ่นละพิวนาถ้าตป็ไหนมีอสญาสายน้ำใจงามแต่เป็นถิ่นด้วยงายถิ่นจะเอาคามออกหน้าถ้าหากว่าอัศย า, าสัยไม่ดีไม่สนใจจะใหาา้ทานไม่สนใจเม่ต า, าจะาเพื่อเหลือท่านผู้ใดหรือ พอมาสามารถจะเข้าถึงองค์สิณดาแต่ยังเอาทานออกมาไปอดับหนึ่งขอที่พึ่งแห่งสองตัวศิษเป็นศุษย์ผลมือสูงมีสมาธิเศรใจก็สะอาดหมดปลอดทางของท่านก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์ภาวนาเขาหยุดเจริญกุศลภาวนาผ่านนั้นก็ได้ผลเผลนธรรมตาเื่อการทำโดยความตั้งใจทำโดยศิษย์เป็นจุษย์ผล ทำด้วยอารมณ์ดีมีปัญญาไม่หวังสงจะแลกเปลี่ยนปฏิปตามใดสามารถให้ทานอันนี้พรู้ผลให้แกดิดามันดาปุยญาตายายหรือผู้ศิษตายจากโลกไปแล้วคือทั้งเบลเพศหรือท่านผูกเกยจะเป็นบิดามันดาปุยญาตายายที่จะเป็นญาติพี่น้องเพื่เดียวการสายโหยุดเดียกการปามถวายสังฆทานให้ เือให้เจ้ากรรมเนยเวเจ้าเวรเนยกรรมทานนั้นอาจกระดิดผลในปัจจุบันถ้าเจริญกรรมฐานเรียแล้วทานจะเห็นทันตาในปัจจุบันนั่นเองแต่เราไม่สามารถมาเติมเต็มสุจภาวนาได้ทานนั้นอาจละชาอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ประการใดจุดนี้เป็นกุผลมหากุศลมหากุศลสุตปัต เกิดขึ้นแต่เดือนอาหารไทยใสสะอาดไม่ได้ทานนั่นจะส่งผลทันทีในปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจก็สบายจิตใจก็มีความสุขญาติะจารุกสมมาตัณหาทุประการกขออนุโมทนาสาธุการแก่ที่บวชเมตตามหปฏิบัติและเยียวยาผู้ผายชั่งนาคในเอตาสนี้นาะจึงเป็นมหาบุตรผลดวงบรรดาที่คามตั้งใจมา ทังใจจะขวายทานหากจะคายอุทิศหากบิดามดามดูพุเปลูดพกตกยากไรสี่ที่ไหนปรทํารใดหรือเจ้าเวรในตามเจ้าตามในเวรจงมารับส่วนอุเบกของเรานะบัดมียัดเทพันเตสังเถส่วนนมขอบูชาพระพุทธเจ้าส่วนที่สขอถึงพระสง์ส่วนที่สามขอทิ้งสูงสุดทรงสูงทรงทํา จะปฏิบัติกรรมฐานจะได้รับบุนอนุโมทนาส่วนสุศลรับถ้าสใยเลื่อมตามสี่ประการที่มีทสี่นั่นเล่าจะขอพานอนุุุุุุงเุอุุุุุุ่มถึง่เพินจะเรื่องลาภะยากร่ำเบื่อจะพบสมารับส่วนทานตามสุศลของท่านคู้บริจาในโอกาสครนี้พยยามดื้อห้าต่อไปขอเจ้าเวรเจ้าตามจงให้เฮ็ดซเงียอย่าช่างเวรช่างตามต่อไปเลย จงเง็ดเว้นเง็ดจำอย่าจองเวินจองตามตามนะตามด้วยการอย่าจองเวินจองตามปการไดบริจาคจิตใจเสียสละความเพื่อจะเสีไปจะได้มีเว้มือจมีภัยแต่ัวเองต่ไปตราเองก็บริสุทธลาพระาจากมืองถึงโพธิไปไหนก็สะดวกไปไหนก็บสบายต่อภัายชีวิตก็ชัดส อาจจะมีชื่อ ท, ท, ทุ่งปิดเสื้อท่านตายศิริทานติลภายนาเพบศสามวลาปิดใจท่ทานจะได้เป็นมหาปุถุคอมจไปกราแหงโำบลดทานที่ปฏิบัติทำได้ด้วยริจาวทานด้วยเรือฉลากได้ด้วยเป็นทั้งชายยกเป็นทั้งชา ย, ยุิการเป็นทั้งอุบาศเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งผู้ถือกรเป็นทั้งวิทยกร ครบเพื่องกระบวนการเนื้อจะไปเหนื้อมาใจจะตัวแทงเหินกระบวนใดจะไม่ตายสู่อันยดในเลกตัวพิลาตายจับระชามแน่นอนที่จะไปเปิดในถิ่นฐานบ้านในหมู่บ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีจดินมือคฝึกจะไปจะการดูของจะไปเกิดแทงหินันะบวนใดประเทศถึงามใดจะมียะตงสาคณญาติเนกราบปนบัณฑิ ตลอดไปตามจะมีเลกมีหลานก่ายนอนสอนง่ายจิตละตามละตามที่สามจะไปเจอแทงโหินระ บ, บนได้หยประเทศถิ่ฐานใดก็าตามจะเติมไปดบวยยวโดยพระคาแพทย์ระคาจะเห็นยาบาลอยู่ใกล้คิดมีคนอุตส่าหละมีคนช่วยอหลือตลอตามเวลาละตามที่สี่นี่แหละจะไปเจอแทงเหินระ บ, บนได้จามีจะ ม, มหาวูทเพื่อลายต า, ามศกษา ให้เลือกด้ศึกษาเลาเรียนและมีวิชาตาไมา่านาพุทธการเรื่องหน้าศึกษาศประการที่ห้านั้นหลับจะไปกอ่อแถมหงกระโดนดายจะมีเครื่องคลือบคล่อมด้ยวยมนุษย์ชนบัติพล้อมเดืยอยสวรริบัตินิผ่านชนบัตอนนานาบรอาานามาโคตสุดท้ายใส่เดือยสบายปลอดภัยทั้งน้ําทั้งไฟเครื่องใช้บริขารเครื่องใช้ตามอานันใดมือเคลื่อนประบวนตามไม่เหลือเนื่อแล่ใ น, ในใจจัประการใด แจะทำอะไรก็ปลอดภัยไม่มีเสีื่อจัอไรในข้อสุดท้ายมาืที่เพิ่งทางิริใจก็ได้มาจัดทานที่หน้าพญายนาคขออาณโมขนาดสาธุการแต่คณะเจภาพและผู้เหยื่อเมตธรรมปฏิบัติในประพฤนตะิศาสนาขอให้ทัง้งหลายเข้าถึงสุดธรรมเขา้าถึงคำสอนของประพฤเจา้าวถือปฏิบัติได้ขอให้ปฏิ บ, บัติโดยสิทต่น อ, นเอเนื่องไป ให้มันเสมอต้นเสมอปลายคนทําได้ทําดีไม่โดยดีัไม่ดีําบังข้หมายข้อมาทำใม้เสมอต้นเสมอปลายทาความดีถูกสถานที่ทำความดีถูกเหตุบุคคลทำทำความดีถูกกาลเวลาทําความดีไม่เสมอต้เสมอปลายถ้าทาเสมอต้เสมอปลาย ปฏิบัติกรรมฐานเสมอต้นเสมอปลายท่านจะได้รับผลบอนุสงสมากศาสนาดังเด็กชื่อแกนเทียนมาณบัณฑิตขออนุนโมนทนาการุการแก่ท่านทั้งหลายผู้ไข่ทำผู้ใคร่บุญขอให้เตือนเอืดอโนนเตือนเสื่ อ, อ, อ, อให้ชีวิตท่านมีประโยชน์ในชีวิตในชีวิตอมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์แต่ชีวิตของท่านูมีค่ามีราคาแพง โดยตู้ค่าราคาไม่ได้อย่าราคาเทาไไม่เหมือนเพชรมุ่งคุด่างตี้ราคาตามสลับตจะราคาตามหนักบาดเป็นต่อพืน้นเว้นู้นใรงแค้นพื้นเว้นู้นมือตะแบ่งถังพื้นเวตนนู้จะอยู่ได้โดยกามจเจเริญุขเจริญพัฒนาประภารธรสุขภาพขงราะการจเจริญรุ่งเรืองจงมีแต่ท่านนาย พอที่ข่านจงเจริญก็เดยอายุยามาสุขภาพละปพจจาุามนพงศาวรเบิม่มบัดเมื่อเิจึงมี่งละตามดายชน ม, มาจาัดพงาด้วยกันทุกทุด้วยุนามนาโอกาบบัดนี้เทม